ที่เป็นนักศึกษานี่มีเพื่อนเยอะมากเพราะเป็นคนที่อารมณ์ดียิ้มแจ้มแจ่มใสและที่สำคัญคือมีน้ำใจมีน้ำใจช่วยเหลือเอื้อเฟือ้อเพื่อนแล้วก็ผู้คนที่รู้จักแล้วก็เป็นคนที่ใครขออะไร เขายินดีช่วยเหลือจึงเป็นคนที่มีวิสายเยอะมากจบหลายทลายแล้วเขาก็ก็ยังติดต่อก็ช่วยเหลือเพอื่อผู้คนอาจจะไม่ได้ช่วยทางด้านการเงินนะแต่ว่าช่วยเรื่องการรับฟังความทุกข์ให้กำลังใจ บางทีมีเงินแม้ไม่มากก็ช่วยนี่ผ่านไปหลายปียนะี่สิบปีหรือสามจุดปีเพื่อนที่พบค้ากันสมัยเป็นนักศึกษ า, าก็แยกย้ายกไปมีชีวิตส่วนตัวตอหลังก็เริ่มมาพบกันไป เฟซบุ o กแล้วก็ไลน์ก็มีส่วนนะช่วยดึงผู้คนที่รู้จักกันแต่เฮินห่างกันให้ได้มาพบกันอยู่ันนี้เนี่ยเพื่องยุมย้มแจมสายเหมือนเดิมแต่คราวนี้เนี่ยก็มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหลายอย่างแล้วก็ออกปากขอยืมเงินเพื่อนเป็นพันบ้างเป็นหมื่นบ้างเป็นแสนก็มี แล้วก็ไม่ได้ยืมแค่สามสี่คนนะยืมไปทั่วเลยโดยที่ก็ไม่มีใครรู้นะตอนหลังก็ยืมคนเป็นล้านนะเพื่อนๆนี่ยก็เห็นใจเขาเนะพราะเขาเป็นคนที่เป็นคนดีมีน้ำใจบางคนก็ถึงกับควัก เงินทั้งหมดที่มีหรือเงินสะสมที่เก็บไว้ในให้เขาเพเชื่อแน่ว่าถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่มาขอความช่วยเหลือใครตอนหลังเนี่ยเาถึงกับกล้าข อ, ข, อขอยืมเพื่อนคนหนึ่งนะซึ่งพอมีฐานะหน่อยแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยมากเป็นสิบล้านเลยนะเพื่อนคนนั้นเนี่ยก็ เนื่องจากไว้ใจเขาแล้วก็ประทับใจในความมีน้ำใจของเขาตั้งแต่สมัยที่เป็นนักศึกษาภาพความทรงจำดีๆที่มีอยู่ก็ทำให้ขนขวายเนะะี่ยหาเงินหาทรัพย์เป็นที่ดินนี่เรียกว่ายอมขายเลยนะเพื่อจองเงินมาให้เขายืม เชื่อแน่ว่าคนอย่างเขานี่ไม่มีบิดพลิ้วไม่มีโกงแต่ที่ไหนได้นะไม่ว่าเขายืมเงินจากใครนี่เ็าไม่เคยคืนเลยรวมทั้งเงินก้อนใหญ่นะหลายสิบล้านซึ่งจะเรียกว่าเป็นทรัพย์สินสุดท้ายที่ เจ้าของเขามีอยู่เนี่ยก็เรียกว่าผิดคาดมากเลยในเรื่องนี้ก็ก็แปลกนะคนที่ถูกเบี้ยวถูกโกงก็ไม่ไม่ค่อยได้แพร่งพลายบอกใครเพราะฉะนั้นก็ทำให้เขาสามารถที่จะยืมเงินจากเพื่อนเรียกว่าแทบจะไม่เว้นเลย ทุกคนก็ให้เพราะว่าเครดิตเขาดีเครดิตดีก็หมายว่าเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนเอื้อเฟื้อสุดท้ายพอเริ่มความเริ่มแตกเริ่มมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในระหว่างคนที่ให้ยืมเงินหรือให้กู้ก็พบว่าเรื่องมันทำแมงสุดท้ายก็บอกบอกกันว่าเนี่ยระวังคนที่ให้ดีนะนี่มันเข้าข่าย 8มงกุฎแล้วล่ะคนที่เหลือก็เริ่มรู้ตัวแล้วไว้ตัวทันก็ไม่ให้ยืมแต่ว่าที่ให้ยืมไปก็0ูนตอนหลังก็มีการเอาเรื่องเอาราวดำเนินคดีกับเขาเพราะว่าการกู้เงินบางก้อนซึ่งหลายสิบลาเ น, นี่มันมีสัญญาก็ ก็มีเงินจ่ายท้าก็ติดคุก ต, ติดคุกนี่เพื่อนยังเห็นใจนะให้เงินประกันนะให้เงินเขาไปประกันกว่าเขาไม่เอาเงินนั้นไปประกันนะเอาไปใช้สุดท้ายก็ติดคุกถามว่าเงินที่เขายืมนี่เอาไปไหนนะก็หมดไปการพ น, นันติดการพนันมาก เพื่อนที่รู้ข่าวนี้ก็ไม่เชื่อเลยนะว่าคนคนนี้นี่จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปกลายเป็นคนละคนไปเลยนะจากนั่งมืเป็นหลังเท้าแล้วทำไมคนคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าแสนดีจนบางทีเพื่อเรียกว่าเป็นนักบุญแต่ทำไมกลายเป็นคนบาปซะแล้ว กลายเป็นนักต้มตุนอันนี้ก็พ่อเรียกว่าฤทธิ์การพนันพิษการพนันนี่การพนันเนี่ยมันน่ากลัวนะเขาเรียกว่ามันทําให้คนคนหนึ่งนี่เสียผู้เสียคนได้จนบางทีเราเรียกว่าเป็นเพราะผีพนันเข้าสิงเพราะว่าไม่งั้นอธิบายไม่ได้ว่าทําไมคนดีใส่ซื่อนะจึงกลายเป็น คนที่เห็นแก่ตัวขนาดนั้นจากคนที่ช่วยเหลือเพื่อเกือ้อกูลผู้อื่นกลายเป็นคนที่รีดไถหลอกลวงโดยไม่สนใจว่าคนที่ตัวเองหลอกลวงนั้นก็จะเดือดร้อนอย่างไรบ้างนั่นก็ไม่น่าเชื่อนะว่าการพนันนี่ไม่ทาให้คนคนหนึ่งนี่จากนักบุญกลายเป็นคนบาปได้แต่ที่จริงถ้าเรานะติดตามข่าวคราว วก็จะพบว่าเนี่ยมันไม่ใช่มีกรณีแบบนี้กรณีเดียวนยมันมีเยอะมากบางคนนี่ไม่ใช่แค่หลอกลวงต้มตุนกับการเป็น่าตกรหรือว่าการเป็นอาญากรอนปล้นทรัพย์หรือว่าทุจริตบางทีก็ถึงกับทาให้เจ้าทรัพย์นี่ถึงกับเสียชีวิตไปเลยก็ได้ เพราะความน่ามึดคนเราน้ามึดนะด้วยหลายเหตุผลนะบางคนก็น้ามึดด้วยอำนาจของราคะบางคนก็น้ามืดด้วยอำนาจของโทสะแต่จำนวนไม่น้อยก็น้ามึดความหน้าของโมหะนะโมหะนี้ก็จี่หมายคือผีพันนัน จริงๆพูดถึงการพนันเนี่ยนะโทษของมันเนี่ยเห็นชัดอาจจะน้อยกว่าสุราหรือยาเสพติดเพราะว่ายาเสพติดหรือเหล้านี่มันทำให้สุขภาพรูปร่างรูปของคน เ, นเปลี่ยนไปคนที่เป็นถูกผีพนันก็สิ่งนี่ก็อาจจะ สารลูกอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากเพียงว่าหน้าตามเศร้าหมองแต่ว่ามันก็สามารถที่จะทำร้ายผู้คนได้ไม่ใช่แค่ชักนำให้เป็นอาชญากรเป็นวิชาชีพแต่บางทีก็ถึงกับทำให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า การพนันนี่ก็ถือว่าเป็นการเป็นโรคชนิดหนึ่งนะเดีย๋ยวนี้เขาเรียกโรคติดพ น, นันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งนะซึ่งถ้าติดหนักนี่ก็สามารถทาให้เป็นโรคซึมเศร้าได้เนี่ยในเมืองไทยนี้คนที่ติดพนันนี่เป็นโรคซึมเศร้าถึงเจ็ดสเซแล้วก็เป็นโรคใบโพลล่าเนี่ยคือเหวี่ยงไประหว่างยินดีกับซึมเศร้าเนี่ยสสปเซและที่ลงมือ หรือพยายามฆ่าตัวตายนี่ก็มีเกือบยี่สหอร์ซนะหรือหนึ่งในสี่ของคนที่ติดหนักไม่ใช่จะไปแล้วเนี่ยทวดขึ้นก็เห็นชัดนะแต่ทำไมผู้คนจะจึงหลงตกเป็นเหยื่อของการพ น, นันเหตุผลก็คือความโลภนะเพราะว่าคนเราบางครั้งเนี่ยก็ อยากรวยทางรัฐอยากได้เงินโดยไม่เหนื่อยและการพนันก็เป็นช่องทางที่ดูจะให้ความหวังยิ่งบางคนเนี่ยซึ่งร้อนเงินอยู่แล้วเนี่ยอยากอยากได้เงินเร็วๆเนี่ยถ้าไม่นึกถึงอตะตะลอตเตรี่แล้วก็นึกถึงการพ น, นันใ้ความโลภเนี่ยมันเป็น ตัวดึงดูดให้คนนี่ไปติดการพ น, นันเช่นเดียวกับที่ความโลภมันทำให้หลายคนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของพวกแกง๊งมิชฉาชีพที่เรียกว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่คนที่เป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยเพราะอำนาจความโลภเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถูกหลอกได้ครั้งเดียวนะถูกหลอกแล้วรู้ตัวก็เข็ดลาบหรือว่าได้บทเรียน แต่คนที่เป็นเหยื่อของการพนันเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองถูกหลอกนะแม้จะเสียเงินไปเยอะเนี่ยแต่คิดว่าที่เสียไปเพราะโชคไม่ดีโชคไม่เข้าข้างนั้นแทนที่จะได้บทเรียนหรือเข็ดหลามเนี่ก็กลับทล้ำเข้าไปในวงจรของการพนันมากขึ้น เพราะว่าคนเราเนี่ยแม้จะคล้องเกี่ยวกับ ก, บกนนารพนันเพราะความโลภแต่พอเสียเงินไปเนี่ยมันยอ่อมเกิดความเสียดายแล้วยอมปรารถนาที่จะเอาคืนในความปรารถนาที่เอาคืนเนี่ยนะมันมันแรงมากนะคนเรานี่ไม่ค่อยยอมไม่ค่อยยอมที่จะเสียอะไรได้ง่ายๆถ้าเสียไปเพราะโชคไม่เข้าข้างเนี่ย มันก็ต้องคิดจะเอาคืนและความคิดที่จะเอาคืนเนี่ยมันทำให้สลัมเข้าไปในการพนันมากขึ้นทีแรกอาจจะเสียร้อยก็เลยยอมทุ่มพันพอเสียพันก็ทุ่มหมื่นแล้วก็ทุ่มไปเรื่อยๆบางทีเป็นล้านเพราะผลเดียวคือจะเอาคืน ด้วยความเสียดายแล้วมันก็มีอำนาจกิเลสเนี่ยที่มันมีความหวังว่าจะเอาคืนได้เนี่ยมันก็พยายามหลอกคนเรานะว่าถ้าลองอีกครั้งก็มีโอกาสที่จะได้คืนถ้กิเลสมันฉลาดนะมันก็หรือบางทีเราก็เรียกกิเลสว่าผีพันนันเนี่ยมันฉลาดมันก็พยายามสรรหาเหตุผลข้ออ้างเพื่อให้ เราถล่มเข้าไปในการพนันมากขึ้นโดยข้ออ้างว่าครั้งนี้ข้อสุดท้ายแล้วและเชื่อว่าจะเอาคืนได้คนเราเนี่ยไม่มีจุดอ่อนอย่างนึ่งนะคือมันไม่ค่อยอยากจะยอมยอมยอมรับความพ่ายแพ้นะอัตตาเนี่ยมันยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ได้เพราะฉั้นถ้าเกิดเสียขึ้นมาเนี่ยก็จะพยายามเอาชนะพยายามเอาคืนให้ได้ มันไม่ใช่เพียงแค่อยากจะได้ทรัพย์คืนแต่มันอยากจะเป็นผู้ชนะไอ้ความอยากจะเอาคืนเนี่ยมันไปสนองอัตตาหรือตัวมานะไอ้ความอยากได้เงินคืนเนี่ยเป็นเรื่องของโลภะนะหรือตัณหาแต่ความอยากที่จะเป็นผู้ชนะหรือว่าเอาคืนเนี่ยมันเป็นการตอบสนองมานะซึ่งเป็นกิเลสที่รุนแรงกว่าตัวโลภะ นั้นคนที่เสียเงินไปเนี่ยไม่เชื่อตัวเองถูกหลอกเหมือนกับคนที่ถูกแกล้งคอเซนเตอร์หลอกแต่คิดว่าตัวเองโชคไม่ดีและคิดว่าจะแก้คืนได้มันก็เลยถลำเข้าไปหนักขึ้นหนักขึ้นอันนี้บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เสียแต่ได้คนที่เล่นการพ น, นันเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีเสียทุกคน หรือเสียทุกครั้งมันก็มีบางครั้งที่ได้พอได้ก็มีความสุขความสุขที่ว่านี่มันจะเป็นความสุขที่ได้เงินเท่านั้นนะแต่เป็นความสุขที่เอาชนะได้แล้วยังไม่นักถึงความตื่นเต้นนะหลายคนเนี่ข้อหาการพรนันเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะความโลภอย่างเดียวแต่เพราะต้องการความตื่นเต้นชีวิตเนี่ยมันจืดชืด น, นะแล้วความตื่นเต้นจากการพรนันนี่มันทาให้มีชีวิตชีวามากเลือดลมสูดฉีด คนที่ชีวิตมันเบื่อเบ่อเซ็งเซ็งเนี่ยพอเล่นการพ น, นันหรือเล่นเกมออนไลน์เนี้ยไม่มีความสุขนะเป็นสุขจากความตื่นเต้นเพราะว่าความสุขนะนก็คือสิ่งที่เราจิตกระตุ้นกายความสุขคนที่ที่เราความสุขส่วนใหญ่ที่เรารู้จักก็ล้วนแต่เราจิตกระตุ้นกายและการพนันนี่นมันก็เราจิตมากเลยความตื่นเต้น ยิงได้ชนะได้ใช้ชนะด้วยนะมันก็ยิ่งเกิดความตื่นเต้นมีความสุขถึงแม้ว่าเล่นพนันสัก10ครั้งอาจจะได้สักหนึ่งครั้งแต่ความสุขจากการที่ได้เนี่ยมันก็ห อ, อมหวนนะและชวนให้โหยหาแม้จะแพ้ไปถูกกินไป10ครั้งแต่ชนะครั้งหนึ่งเราลึกถึงความสุขจากการที่ชนะได้ มันก็อยากจะเล่นต่อนะสุขที่ได้สุขพอาะตื่นเต้นสุขที่เอาชนะหรือเป็นผู้ชนะนี่มัเป็นแรงดึงดูดนะที่ทำให้คนเข้าหาการพ น, นันแต่มีมีแรงผลักด้วยนะแรงเผาคือว่าทรัพย์สินที่สูญหายไปหรือสูญเสียไปเนี่ยหลายคนก็ทำใจไม่ได้อยากจะเอาคืนและบางครั้งเนี่ยเงินที่สูญไปก็เป็นเงินที่ไปยืมเข้ามา บางทีก็เกิดจากการไปจำนองบ้านจำนองที่ถ้าสูญไปก็เดือดร้อนเพราะนั้นเนี่ยมันมีแรงผลักเนี่ยต้องเอาสิ่งที่สูญไปเนี่ยคืนมาให้ได้ทั้ ง, งแรงผลักแรงผลและแรงดึงเนี่ยโอ้ัมนมาหาสารมานะสําหรับคนบางคนเนี่ยจนกระทั่งเลิกไม่ได้ทั้งที่โทษของมันภัยของมันก็เห็นชัดอย่างที่เรียกว่าเนี่ยดีชั่วรูบหมดแต่อดใจไม่ได้ หลายคนก็รู้นะว่ามันมันไม่ดีนะแต่มันอดใจไม่ได้เพราะว่าโหยหาความสุขที่เคยได้จากการพ น, นันมันจะเป็นความตื่นเต้นไม่จะเป็นชัยชนะที่ทําให้ได้ทรัพย์อย่างง่ายๆหรือว่าความรู้สึกเป็นผู้ชนะที่มันสนองมานะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้คน จำนวนมากเนี่ยหลงติดกรรมมั น, มนานจนกระทั่งถอนตัวไม่ขึ้นสุดท้ายต้องไปทำผิดศีลผิดกฎหมายหรือไม่ฉะนั้นก็ถ้าไม่มีทางออกจมอยู่ความทุกข์ถูกคนประนามหยามเยียดไม่มีคนคบาก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าไป ยิ่งความเครียดจากการที่สูญเสียทรัพย์มันก็มากพอที่ทําให้ซึมเศร้าได้พอซึมเศร้ามากๆเขาไม่มีทางเอาค่าตัวตายนี่น่ากลัวมากแต่ว่าคนเนี่ยหลายคนก็ประมาทนะประมาทว่าอฉันไม่เป็นไรหรอกขอลองดูสักครั้งหนึ่งแล้วคนที่ติดเล่าติดการพ น, นันติดยาเนี่ยเพราะว่า เหตุผลว่าขอลองสักครั้งหนึงหรือครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยนะมีเยอะนะหรือแม่งติดผู้หญิงเนี่ยเขขอครั้งเดียวเท่านั้นเพราอกว่าการพนันหรือว่ายาเสพติดพวกนี้เนี่ยมันมีอำนาจดึงดูดใจหรือล่อหลอกเราได้อย่างรุนแรงมากเพะนั้นถ้าเกิดว่าทางที่ดีก็ต้องเลี่ยงฉัเลยนะไม่เกี่ยวข้องกับมัน ลองไม่ได้ลองแค่ครั้งเดียวก็พลาดท่าเสียชีได้แต่ถ้าเกิดติดไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้คือว่าต้องรู้จักห่างไกลหรือปิดโอกาสที่จะไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับการพนันหรือยาเสพติดเพราะว่าปัญหาคนเหล่านี้คือว่าคุมตัวเองไม่ได้ยับยั้งชั่งใจไม่ได้เกิดอาการย้ำคิดย้ำทำ มีโอกาสเมื่อไหร่หรือสบช่องเมื่อไหร่ก็ทลาเข้าไปทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปิดโอกาสปิดโอกาสไม่ให้เจอสิ่งเหล่านี้ไม่จะเป็นการพนันหรือว่ายาเสพติดแล้วโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยตกเป็นท่างมันเช่นเดียวนี้มันง่ายมากนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นประตูสู่อาบายหรือเรียกอาบายย ม, มุกได้เลยทีเดียว งั้ใครที่ต้องการที่จะพาตัวเองหลุดจากวงจรเนี่ยมันต้องห่างไกลจากโทรศัพท์มือถือให้ได้หรือว่าพาตัวออกไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นการพ น, นันยาเสพติดเล่าหรือว่าเกมออนไลน์เรียก ว, ว่าปิดโอกาสไม่ให้ตัวนี้เข้าไปข้องเกี่ยวเพราะถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยมันจะห้ามใจไม่ได้ แต่ว่าที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันกนะ็คือการที่ต้องรู้จักหาความสุขที่ดีกว่ามาแทนที่เพราะว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อของอบายมุขการพ น, นันยาเสพติดหรือแม้แต่เกมออนไลน์พวกนี้ก็นะคือความสุขติดใจในความสุขที่ได้รับพอไม่ได้ขึ้นมาก็โหยหา แต่ถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยมีความสุขอย่างอื่นมาแทนที่และเป็นความสุขที่ประนีต ก, กว่านะมันก็ทําให้เมินหรือหันหลังให้กับการพนันหรือว่ายาเสพติดได้พราะคนเราเนี่ยถ้าไม่สามารถที่จะหาความสุขที่ประเสริฐที่ประณีตมาแทนที่เนี่ยในการที่จะหนีจากความสุขที่หยาบเนี่ยมันก็ยากนะ ปัญหามีอยู่เพียงแค่ว่าไอ้ความสุขที่ปันนี้เนี่ยมันเกิดช้านะความสุขที่ยานนเนี่ยมันมาเร็วความสุขจากการพนั น, นความสุขจากยาเสพติดความสุขจากเกมออนไลน์หรือแม้แความสุขจากสิ่งเสพที่เรียกว่าการมาสูงเ น, น, นี่ยมันมันมามันมาได้เร็วเกิดขึ้นเร็วแต่ข้อเสียคือมันมาเร็วไปเร็วเหมือนกันไอ้ความสุขที่ปันนี่เนี่ย ที่จะมาทดแทนที่จะมาหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วก็มาทดแทนความสุขอย่างหยาบได้เนี่ยเช่นความสุขจากการทำสิ่งที่มีประโยชน์ความสุขจากการที่ได้ทำสิ่งดีงามความสุขจากความสัมพันธ์ที่อบอุ่นเช่นการมีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลความสุขจากครอบครัวที่เอื้อเฟื้อดูแลกัน รวมถึงความสุขจากการที่ได้ทำสมาธิภาวนาถ้าว่าไม่มีความสุขที่ประณีตมาแทนที่เนี่ยมันก็ยากนะที่จะหลุดพ้นจากอบยมุกยาเสพติดการพานันได้ในส่วนก็โหยหาแล้วก็หาช่องเข้าไปเสพ จ, จนได้ที่จริงอันนี้แม้ทั้งผู้เจ้าเนียก็ตัดเลยนะว่า การมสุขเนี่ยแม่พระองค์จะเห็นโทษของมันแต่ว่าพระองค์ก็ไม่ไม่รับปากว่าจะหลุดจากการมาสุขได้จนกว่าหนึ่งจะเห็นโทษของมันอย่างชัดเจนและ 2. ส, สามารถเข้าถึงความสุขที่ประณีตและความสุขที่ประณีตเนี่ยที่ท่านพูดเนี่ยก็หมายถึงฌานความสุขจากฌานความสุขจากจิตที่สงบ นี่ขนาดพระเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์นะซึ่งสำหรับคนทั่วไปก็เหมือนกันนะถ้าว่ายังติดอยู่ในสุขที่หยากอยู่เนี่ยจากความตื่นเต้นที่ได้เล่นการพ น, นันได้ลุ้นนะหรือว่าสุขจากการที่เป็นผู้ชนะสุขจากการที่ได้เอาคืนหรือสุขจากการได้คืนพวกนี้มันยัเป็นสุขที่หยากอยู่แต่ถ้าว่า เราสามารถจะเข้าถึงความสุขที่ประณีตได้มันก็จะค่อยเหินห่างพาตัวออกห่างจากความจากสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอบายมุกละเป็นอิสระจากมันได้ในที่สุดแต่แต่ทางวิถีมต้องใช้เวลานะแล้วจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้นวิถีชีวิตนะอย่างพระเนี่ยมันก็มีส่วนที่จะช่วยกีดกันขวางกันไม่ให้ คนเราเนี่ยถลำเข้าไปสู่ความสุขอย่างหยาบได้หรือว่าการอยู่ในชุมชนที่มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมันก็ช่วยเติมความสุขให้กับจิตใจของผู้คนจงกระทั่งไม่โหยหาความสุขอย่างหยาบหยาบได้เมื่อเรารู้เช่นนี้เนี่ยก็ต้องพยายามที่จะจัดสรรตัวเองให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูล จะ ท, ทำให้จิตใจเนี่ยไม่ไปหยหาความสุขที่หยาบหยาได้แล้วขณะเดียวกันก็สำหรับคนทั่วไปมันก็ทำให้เราได้ตาหนักนะว่าในความตื่นเต้นมันก็มีเสน่ห์ของมันหรือว่าการที่ได้สนองอัตตาสนองมันนะคือความเป็นผู้ชนะอันนี้มันก็สำคัญเหมือนกัน มันเป็นแรงผลักที่น่ากลัวมากเพราะว่าถ้าใช้มันถ้าไม่รู้เท่าทันมันนะมันก็พาเราเข้าร็อเข้าพงได้ในความอยากจะเอาชนะใหญ่เป็นผู้ชนะเนี่ยมันสนองอัตตาตัวตนเต็มที่แล้วมันพร้อมจะทำให้พร้อมจะผักสายเราทำชั่วก็ได้ทำร้ายคนหนึ่งก็ได้เพื่อจะเป็นผู้ชนะหรือถล่มเข้าไปในในวงจรของอบายมุก เพื่อให้ได้เป็นผู้ชนะแต่มันเป็นชัยชนะที่จอมปลอมไม่เป็นชัยชนะที่น่ากลัวมากมันไม่มันสู้ชัยชนะที่พระเจ้าตัดว่าเนี่ยชนะตนไม่ได้นะชนะตนเนี่ยนะมันประเสรินกว่าชนะผู้อื่นนับร้อยนับพันครั้งและชนะตนในที่นี้หมายถึงชนะกิเลสหรืออัตตาด้วยเพราะอัตตานี่มันก็จะพยายามล่อหลอกเรา ให้สนองหรือปลอนเปลือมันสรรหาเหตุผลมาเพื่อที่จะล่อลอให้เราหลงและลานที่เราชนะจะมีชนะชนะกิเลสพวกนี้ได้เนี่ยมันต้องมีสติมากเลยนะมีสติที่จะรู้เท่าทันอุบายของตัวอัตตาตัวกิเลสเหล่านี้มันจะหลอกเรายังไงมันจะบอกว่าครั้งเดียวโทษนะหรือครั้งสุดท้ายแนละ้วเราก็ไม่เชื่อนะก็เพระไม่เชื่อนี่แหละนะจึงทําให้เราเป็นอิสระจากอํานาจของมันได้